นุวิทย์เป็นไง น, นุวิทย์มีความก้าวหน้าขึ้นครับปฏิบัติได้ดีขึ้นมากครับดีทำถูกแล้วด็อกเตอร์อยังสู้เขาไม่ได้แล้อเปล่าถอยมาตั้งหลักค่ะ <c oughs> ถอยมาตั้งหลัก <c oughs> ไปถึงไหนแล้วเมื่อเช้าแมวต่อเลย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 ขอขอนุญาตถามคำถามหนึ่งได้ไหมค ะ, ะคือเวลาที่หลวงพ่อเทศบอกว่าเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยบางทีจิตมันก็มีความสุขแต่บางทีหลวงพ่อก็บอกว่าก็จะเห็นความทุกข์ล้วนๆ น, น, นะคะทีนี้เลยเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นคนละระดาับกันกใช่ไหมคะใช่เวลาอนกันเวลาเราภาวนานะถ้าเราดูที่ขันเนี่ยจะมีความทุกข์ล้วนๆเลยเพราะขันเป็นตัวทุกข์นะ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 บางครั้งจิตก็ะระลึกรู้กายบางครั้งจิตะระลึกรู้ใจบางครั้งจิตะระลึกรู้ผู้รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาะระลึกเองงั้นไม่เป็นไรอย่าจงใจไปะระลึกอันใดนหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> รู้สึกไหมบางคนไปเจอผู้รู้นะแล้วไปจ้องใส่ตัวผู้รู้ไว้ไ อ, อย้ยางไงไม่ถูกเ <c oughs> ล้วไงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะใจไม่ตั้งมั่นหลวกาไหม <c oughs> จิตตันเนี้ไม่ตั้งมั่น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 เคยมาไหมคนนี้เคยเพิ่งเคยมาครั้งแรกที่นี่อะค่ะคอยากมายัางไงคืออยา ก, กจะกลาบมานักสการถามเรียนถามว่า เ, ออเวลาปฏิบัติชอบง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเล้ไปยืนเลยไปยืนเดินไปนะ <c oughs> อย่านั่งคือส่วนใหญ่จะมีเวลาง่วงมากกว่าเวลาที่จะปกติอ ะ, ะ่ะนัเราต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ง่วงฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้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 บอกแล้วยังไม่รู้นะก็ต้องต้องฟังอีกนานหน่อยถ้าบอกแล้วเห็นสภาวะก็ง่ายแต่ที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะ <c oughs> ใจค่อยตื่นแล้วลนะ่ะ <c oughs> คือรู้สึกว่าจะใจร้อนอยากให้ให้เร็วอะคะโอยิ่งอยากยิงไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วก็เลยอายุมากแล้วต้องใจเย็นเย็น <c oughs> ยิ่งจริงใจร้อนยิ่งทําไม่ได้ อย่างคนเราอายุมากเราจะ ต, ต้องเดินหลายกิโลอย่างค่อยๆเดินไปอย่าไปรีบจ้าๆนะ<ช>จ้ำ ๆ, ๆเียวขาแพลงเอวเครียดอยู่กลางทางเลยไปไม่ได้ภาวนาก็เหมือนกันรีบร้อนไม่ได้ค่อยๆทําไปได้แค่ไหนแค่นั้นแท้จริงเราง่ายสุดๆเลยจะบอกให้ใอยากจะกราบเรียนถามอีกข้อนึงนะคะ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 ยิ่งสนใจนยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะาขอบคุณยายไปเรียนกรรมฐานาที่ไหนมาล่ ะ, ะอือท่กากภาวนาเก่งนะท่า น, นก็เป็นผู้หญิงที่เป็นพระขอบคุณยายค่ะยังมีโมหะแล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกเยอะค่าวันนี้ ให้ใจมันคึกคักไว้ <จะ S 2> ในการาปฏิบัตินะใจมัน้อแท้ไปนิดนึงคึกคักไว้น ะ, ะเวลาอยู่วัดแล้วดีออกไปข้างนอกไม่ดีก็อยู่วัดเยอะๆะเอาคุณสรรันครั บ, รบก็ช่วงที่ผ่านมาการปฏิบัติถ้าเปียบเหมือนสราฟเนี่ยมันมันจะแบบขึ้นๆลงๆเหมือนกับว่า บางช่วงก็ดีบางช่วงก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เห็นชัดชัดชัดบางช่วงก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอย่างเบางทีดูความฟุง้งดูไปเรื่อยๆพอสักพักป๊บมันก็เหมือนเงียบส ง, งัดไปหมดเลยนะครับเป็นเป็นช่วงแต่แป๊บเดียวเองครับแล้วก็ก็เห็นทั้งเท่านี้มีทั้ง อ, อ, อะไรความ ก็เลยแบบโทรศัก็มีเห็นชัดๆบางทีกำมัง น, นึกเลยทําไมเป็นถึงขนาดนี้ก็แ่นั้นแหละ <c oughs> จริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่เราคิดบ <c oughs> ถ้าเราภาวานาไม่เป็นแล้วเราจะเป็นคนดี <c oughs> ภาวานาเป็นแล้วเรารู้เลยเราร้ายมากเลยกิเลนนี่เกิดทั้งวันเลยครับ <c oughs> ของคุณสรันรพื้นฐานเดิมมันขี้โมโหงั้น <c oughs> ขึ้นมาเยอะแต่ว่าเราภาวานาเนี่ยไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบ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 ขันมันปรุงแต่งโดยตัวของมันเองหนอกร่างกายมันก็ปรุงแต่งนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่มันก็ปรุงของมันจิตใจก็ปรุงแต่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคิดโน้นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านก็ปรุงของเขาเราไม่แทรกแซงให้รู n, mm ้ความปรุงแต่งของขันโดยใจเรานี้ไม่เข้าไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเะนั้นจิตมีความโกรธขึ้นมาไม่ใช่อยากให้หายโกรธไม่ต้องไปพุทโธพุทโธโกรธหนอโกรธหนอนะอันนั้นสมถะเลย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 รู้ทันความยินดียินร้ายในสุดจิตมันก็เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยสมาธินะ<ม>เป็นกลางด้วยการไปรู้เท่าทันความยินดีนร้ายความยินดีนร้าขาดกระเด็นไปใจก็ตั้งมั่นรู้ขันทํางานต่อไปรู้ขันทํางานต่อไปแล้วเห็นชัดๆเลยเขาแสดงไตรลักษณ์ตลอดเขาไม่ใช่เรานะมันจะวางขันเ<ม>พอวางขันเนี่ยจะหมดตันหาคือหมดความอยากจะให้ขันมีความสุข หมดความอยากแก่ให้ขันทนทุกข์พจิตใจหมดตัณหาอย่างแท้จริงนะั้นนี้โรดหรือนิพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา น, นิพานไม่ได้อยู่ไกลนะเมื่อไรสิ้นตัณหาก็เมื่อ น, นั้นเห็นนิพานสงสัยมากหรือต่อตสงที่เห็นความยินดียินร้ายเนี่ยตรงเนี้ยถ้ารู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาแล้วขาดไปก็ไม่เป็นไรก็ดียิ่งดีใหญ่ แต่ถ้าไปเห็นความยินดีร้ายแล้วใช้สมาธิใช้สมาธิข่มไว้ก่อนแล้วก็รู้ขันไปอย่างนี้ก็ใช้ได้สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกงั้นไม่ต้องกังวลงตรงนี้ว่าทำไมไม่เหมือนที่เราคิดไวอ๋อยังไม่ได้ถามอ่ะตอบไปแล้ว <laughs> <laughs> ขอถอนเนาะลืมไปน <laughs> อกจากจมีคำถามที่สงสัยอยากจะถามคือ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 ไม่งันจะต้องไปเป็นฝลเอาสัญญาไม่เที่ยงต้องส่งไปก่อนไม่รู้อยพูดนดึกออกแล้วครับอุตส่าห์ซ้อมไหมนะซ้อมมาตั้งแต่นอกวัด <laughs> เดีย๋ยกลับมาแล้วจะถามอา้าวมันลืมไปแล้วอา้าวส่งไปก่อน <laughs> ตอนนี้มันตื่นเต้นยังไม่ต้องถาม <laughs> ลูกลีลูกหล่นไปนหมดแล้วอ <laughs> อันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากถามไว้ก่อนครับคือเมื่อเช้าหลวงพ่อทิ้งท้ายว่าให้เตือนเรื่องเทศค้างไว้ว้ค้างแล้วค้างเลย <c oughs> ทิ้งมันไปเลย <c oughs> ของเก่าเอาทําไมครับก็เช้าวันนี้จิตมันกระจัดกระจายรอย <c oughs> ตุ๊บป่องตุ๊บป่องมันลุกโป่งอะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> เ อ, อบแล้ว <c oughs> ถูกครับแล้วก็มีเผลอไม่ชอบแล้วก็เกิดโทสะไปยุ่งกับมันเป็นพักๆครับจริงๆแล้วสมาถะก็สาํสาคัญนะ พวกเราหลายคนจะเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะพระอะไรไม่สอนให้ทําสมถะพระพุทธเจ้าสอนนี่ท่านบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญายิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญด้วยปัญญายิ่งเพราะงั้นตอนนี้ถ้าใจมันกระจ็ดกระจายอย่าไปอัดอย่างนั้นอัดอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาละรู้สึกไหมกาลังอัดตัวเองอุตรุดเลยครับเลิกซะส่งไม้ไปก่อน <c oughs> เนี่ยรู้สึกไหมตรงนี้ หลุดออกมาได้หน่อยหนึ่งบบ เ, เออนวะเพราะมัเผลอไปเอเผลอมลืมเพ่งเอาจากบางทีมันก็มันทําวิปัสสนาอยู่แป๊บหนึ่งมันก็หลุดเข้าช่องไปทำํำเล่นไปเลยสมาธิาถ้าจิตพลิกไปเป็นสมาธารู้ว่าเป็นสมาะก็ใช้ได้แล้วก็ทําต่อไปได้แต่ก็รู้ต่อไปอย่าไป น, นอนแช่อยู่กับอารมณ์ก็แล้วกันถ้านอนแช่แล้วเสียเวลามันมันไม่ค่อยยอมมันดูไม่ออก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 บางคนก็ต้องอดอดหน่อยภาวานาดีได้ยินอย่างนี้เดี๋ยวกลุ่มใจไม่ให้กินข้าวยังบังคับอยู่ดูออกไหมเบอร์แปดสิเอไรไดอ่ะยังไปอัดมึงทื่อๆอยู่อย่งนะั้อ่ ะ, อ, ะอยากทำยังไงเดียร์เออทนๆไปดีแล้วลช่วยไม่ได้ก็ทนๆไปครับก็ เออตื่นเต้นครับนึกไม่ออกอีกคนแล้ยไม่รู้จะบรรยายอะไรก็ตื่นเต้นไว้ก่อนเอาอย่างนี้เอกลัษณ์ส่งไปให้ผู้หญิงคนนี้ก่อนคนนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วะให้พูดพูดไปจะได้รู้แล้วรู้ลอดไปค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติค่ะเลยยังไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันมันถูกต้องหรือยังทำไปเองนะหัดดูใจตัวเองไปสังเจตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันดรอกแล้วใช่ไหมค่ะ แต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันดู อ, อแล้ว ย, ออยังช<า>เช้าสายบ่บายเย็นไม่เหมือนกันนะแล้วต่อไปดูแต่ละขณะไม่เหมือนกันอย่าเราเห็นหน้าคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งเห็นคนนี้ความรู้สึกเป็นอีกอย่างเนี่ย <c oughs> ให้คอยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดูทั้งวันเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่เราตั้งใจสมมติทําสมาธิแล้วก็ดู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 ยอมให้หลวงพ่อไปนั่งหน้าระเบียงท่านท่านเปิดประตูมาถือว่าไม่ได้รับแขกผมไม่ได้ให้เข้าห้องแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาจากห้องแล้วท่านก็เทศให้ฟังก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่อยู่ในเหล้าฟังแล้วปวดหัวใจเมื่อตายแล้วศาสนาพุทธท่าจะแย่แล้วถ้าใครเข้ามาได้ยินแล้วแย่แน่ๆตรวจไปเรื่อยๆลงท้ายท่านตบท้ายประโยคเดียวหงายท้องเลยแทบตกระเบียงท่านเลยบอกคิดคิดดีก็ใจเย็น คิดไม่เป็นจะเย็นสบายไอเราเนะคิดไม่ดีนะคิดกลุ่มใจเป็นห่วงศาสนาว่าพระเทศก่อเอ๋ยก็ไก่โอ้สอนธรรมะเราท่านใจที่เย็นโอ้เยอกเลยเก่งนะาวงนี้เก่งไปเจอท่านสนุกสุดสุดเลยหมั่นมากแต่เล่าไม่ได้แล้วไม่ใช่ขลราชนวาเอกรัฐ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 รับอาคันธุกะดอ่ะยก บ, ยบางบางทีมันก็พลาดไปแต่ผมอยากจะรู้ว่าเวลาเราดูจิตเ่านั้นเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมก็จะทำตามหนังสือที่หลวงพ่อพูดคือถ้าอะไรมากระทบทวารทั้งหกโดยเฉพาะใจธรรมารมเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดมันจะช่วยนำเราไปความฟุ้งซ่านมากแต่เวลาเราเห็นในหลวงพ่อบางทีเนี่ยเราจะต้องดูมันไปถึงตรงไหนคล้ายๆว่า สมมตเราเห็นคนเราพอใจใช่ไหมครับเห็นรูปพอใจเนี่ยเราในใจเราจะรู้แล้วว่าเออนี่นะจิตเราไปสัมผัสรูปและความรู้สึกของเราบางทีเห็นแล้วเห็นทุกข์เพราะว่าเห็นไปเนี่ยมันร้อนลุ่ ม, มครับพอมันร้อนลุ่มก็อยากพอมันอยากปุ๊บมันก็ทุกข์อันนี้คือผมเข้าใจตัวเองว่าเนี่ยเราะท่านพยายามสองอันนี้ดูทุกข์เลยเห็นไหมเออยากตรงนี้อยากจะได้ให้เขามายกย่องเราอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถูกถูก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 ถ้าหากว่าเราดูมันดีๆจ้องมันดีๆเนะี่ยมันจะหยุดมันมันจะหยุดมาเรื่องมันมันมีความยั้งเหมือนตัวอะไรมันยั้งเราไว้แต่ถ้าเราไม่ยั้ง้กระบวนการตรัวนี้แต่เริ่มเห็นว่าคนเราไอ้ที่ว่าคนคนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่อยากอะไรกันทั้งหลายเนี่ยจริงๆเกิด จ, จ, จากกระบวนการขันนรื่นั้นน่ยไม่ได้เกิดจากตัวอื่นหรอก <S <S ไ, อไอ้ว่าคนอะไรไงงอย่เงี้ยคือเรามองจริงๆนีมันเกิดจากทั้งหมดในโลกเนี่ยเกิดจากกระบวนการตรงเนี้ยตรงตรงสมองแล้ว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 เอาไอ้ความคิดที่มีอยู่เนี่ยมาเพ่งดูดูจิตบ่อยๆเนี่ยเพง่งเพ่งแล้วรู้สึกเป็นสุขแต่ความสุขที่สงบนี่ก็ไม่ยั่งยืนนะครับอื ม, มันก็เดี๋ยวมันก็ไปได้อื่นแต่ไปก็ไ ป, ไปเดี๋ยวถ้า ก, กลับมาใหม่ก็ได้อพอละพอละนะเดี๋ยวใจฟุง้งใจเริ่มฟุ้งและครับใจมันเริ่มฟุ้งในธรรมะรู้สึกนะภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วฮะภาวนาอยู่ใช้ได้แล้วเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นกายไม่ใช่เราก่อน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 น้องปูเหรียญนั่ใช้คำว่าเงานิพานเห็นเงาเงากันต่วันใดที่มันแจ้งแล้วมันแจ้งวับเดียวก็ขาดแล้วเออมยังไม่ไม่ไม่เทอ่ะเป็นไงแม่ตายสนุกไหมอ๋อก็รู้สึกเบิกบานมากขึ้นค่ะหลวงอาเออมันต้องอย่างน้สิแม่ตายต้องเบิกบานนะ้วเศร้าโศกแล้วไม่ใช่ชาวพุทธหรอกก็ก็ เพราะตอนตอนเห็แม่ตายก็สึกเหมือนเห็นก็คนอื่นนะคะหลวงอาเพราะตอนแรกเคยคิดว่าถ้าคุณแม่ตายจะจะทนทุกข์ทรมารแค่ไหนก็นแรกก็ก็คิดตรงไปก่อนนะคะแต่พอเห็นจริงๆก็ก็ก็ยังงงองตัวเองค่ะหลวงอาว่ามันเบิกบานมากเพราเราภาวนาเป็นเราศึกษาธรรมะศึกษาเจริญสติดูจิต ด, ดูใจเรื่อยๆนะเวลาสภาวะธรรมอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะมันตั้งหลักง่ายไม่เหมือนชาวโลกอย่างในธรรมบท ม, มีเรื่องหนึง่ง เป็นครอบครัวชาวนานะวันหนึ่งก็พากันไปทํานาพวกผู้ชายไปทางานทานาพวกผู้หญิงอยู่บ้านลูกชายถูกงูเห่าขัดตายตพ่อก็เห็นว่าลูกชายตายแล้วช่วยไม่ได้แกก็ไถานาของแกต่อไปนะพอมีคนเดินผ่านมาแกบอกให้ช่วยแวะไปบอกที่บ้านด้วยว่าทุกวันเนี่ยมาส่งข้าวสองห่อนะวันนี้ห่อเดียวพอที่บ้านนะพอได้ยินอย่างนี้อ๋อลูกชายตายแล้ว เป็นพี่รู้กันรู้กันสามี ม, มีมีสะพ้ายอยู่ด้วยสะพ้ายก็รู้ว่าสามีตายแล้วก็ไม่ไม่เสียใจอะไรถึงเวลาก็ส่งคนมาส่งข้าวตันเย็นก็พากันออกมาจากบ้านมาเผาศพเผาศพคนก็มาเห็นมาสงสัยไอ้พวกนี้หน้าตาเบิกบานก็ <c oughs> ถามว่าไอ้คนที่ตายนี่เป็นที่เกลียดชังใช่ไหมมันตายแล้วดีมีความสุขบอกไม่ใช่นี่เป็นที่รักแต่ว่าพวกเขามีปัญญา ชีวิตเหมือนหม้อดินเลยมันแตกแล้วอทําไงได้นี่คนมีปัญญานะไม่ทุกข์หรอกคนไม่มีปัญญาถึงจะทุกข์หลวงพ่อนะ้วตอนเตีย่ยวหลวงพ่อตายแนละ้วก็เบิกบานอย่างนี้นเบิกบานเยอะเลยเออตายแล้วตายแล้ ว, ต า, ลวตายให้ <laughs> เราดูจริงๆนี่สอนธรรมะเรานะด้วยการตายให้ดูฟังแล้วคล้ายๆลูกอกัปตันอยู่นะใช่ค่ะหลวงอาก็รู้สึกเยอะเหมือนกันนะคะรู้สึกไหมกลัวคนก็ว่าใจไม้ไส้ละกรรม ไม่ออกเหมือนกันนะคะมันรูสึกว่าไม่เหมือนอิสระจะร้องไห้ใช่อหมก็ร้องไปทำยีนนิดหน่อยค่ะเออนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเดี๋ยวเขาว่าดีใจได้มรดกน้าองค์ต่อไปมันต้องอย่างนี้สิอาวนาแล้วใจยังกระเพื่อมขึ้นกระเพิ่มลงไม่เอาไหนดอกช่วงนี้เริ่มเห็นกิเลสในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะพี่ แต่ตอนที่ภาวนานี่ไม่ใช่ว่าสติตัวจริงเกิดหรือยังดูเห็นใช้ได้ละไปดูไปได้แต่จิตขณะนี้มีโมหะคูอออกไหมมัวมัวจิตมันมีโมหะแทรกอยู่ก็รู้ทันมันเวลาภาวนามันบางวันดีบางวันไม่ดีครับก็ธรรมดานะถ้าดีทุกวันมันจะเป็นอัตตานี่เป็นอนัตตาดีมั่งร้ายมั่ง ช่วงแรกตอนมันไ ม, นไม่ดีรู้สึกอยากให้มันดีเอให้รู้ทันเนี่ยไม่เป็นกลางและวช่ ว, วนไหนมันดีอยากให้อยู่นานๆให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางมีมีวันหนึ่งสงสัยว่าจะไปไปจ้องดูจิตครับเห็นเห็นมันเปลี่ยนแปลงนาที่ละหลายหลายครั้งดีแต่ว่ามันมันทําให้มึนเอา อ, อย่างนั้นจงใจดูเยอะไปครับะดูไปตามลําดับดูเท่าที่ดูได้นะ อย่าไปเราสติมากไปสติถ้าเรามากไปเอาไปจดจ้องไว้นะเครียดดูสบายสบายครับจานนูวิทใช้ได้นะดีจานนี้ก็ดีแล้วดีขึ้นนันพกพูดนะครับตั้มตอนเช้าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่หนักม า, ากสัตว์มันแข็งแข็งไม่มีความว่องไวแต่ตอนนี้สึกเบาขึ้นนิดหน่อยแลครับ <c oughs> กระจายได้นิดหน่อยครับก็เบาเมื่อกี้นี่เอง เชื่อในคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่ทําไมหนูไม่ไปทา้งใจอะค่ะไม่อะไรนะไม่ไปทั้งใจอะคะ่ไะ ไ, นะไม่ไปเลยเชื่อในคําสอนนะคะรู้ว่าทุกอย่างมีจริงแล้วก็ดีแต่ทําไมเวลานู ก, กาบพระรู้ว่าทําสมาธิทําไมใจหนูมันไม่ไปอะคะ่ะจะไปไหนอะ่ะหมายถึงว่าไม่น้อมไปอ่ะคะ่ะอ๋อ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 นั่งดูมันไปเรื่อยๆค่ะดูไป เ, เรื่อยๆค่ะแล้วอีกข้อเนึงอะค่ะหนูนะะนน ม, มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินในบ้านนะคะแต่ที่บ้า น, นะมีกันแค่สองคนเวลาเวลาเดิน เ, เ, เ, เ, เหมือนเหมือนเดินหลายคนนะคะมมไม่เป็นไรเรื่องของเขาเราเดินได้เขาก็เดินได้ต่างคนต่างเดินไม่เหยียบ ก, กันหรอกก็แต่หนูสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอะไรพยายามสังเกตดูหลายครั้ง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 อาจจะเป็นทางกายมันมันกดดันกันทากายกายมันก็กดนะใจมันก็กดครดูออกไหมตรงนี้ก็เป็นครับเทางกายนะใช้ใจของเราสบายๆแผ่ใส่มันไปครับให้มันคลายออกคเดี๋ยวทางใจอย่าไปกดมันกดมาแล้วไม่มีคุณภาพครับไม่มีแรงครับเนี๋ยมีแต่ความทุกข์แล้วเห็นอะไรอยู่กับตัวเองเห็นอะไรก็เลยสังเกต เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อ ย, น, อยนะก็เห็นมันมันเกิดดับเห็นสภาวะเริ่มเห็นสภาวะเกิดดับบางครั้งก็เห็นใจมันเคลื่อนไปไปจะไปรับไปหลงก็กาลังเคลื่อนก็เห็นมันออมันก็เลยดับไปบเออดีดีดใได้หญิงดีแล้วครับเห็นอย่างนี้แหละดีช่วงเช้าก็ฟุ้งซ่านนะฮะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกโมโมะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะคะ จีระต่ทำไมไม่มานั่งใกล้ๆหลวงพ่อก็มีโมหะครับโมหะมันเลยเยอะถ้าเข้าใกล้มันหายนะนั่นแบบดาวฤกษ์ดาวฤกษ์อยู่ห่าง ก, ก็มัวไปหน่อยจีรสรักมรรคการหลวงพ่อรู้ไหมบังคับเอนะให้รู้ทันใจที่บังคับนะรู้สึกไหม ใ, หใจกระสับกรนะส่ายให้รู้ทันความกระสับกระส่าย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 เบาๆไ ม, ไม่ไม่ไม่ชัดเจนว่ารู้สึกตัวขึ้มนม ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ต้องชัดหรอกรู้เท่าที่รู้ได้ที่ทำอยู่แต่นี้ใช้ได้นะใจก็โปร่งขึ้นแล้วดีค่ะหนูไม่แน่ใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรนะคะหลวงพ่อที่ว่าพอมาถึงอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะอะไรที่ว่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นภพชาติแล้วก็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 มันต่างกับไอ้ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันจะต่างยังไงล่ะปฏิจจสมุปบาทที่จริงเนี่ยนะคือกระบวนการนะที่จิตเนี่ยมันปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมานะรากเหง้าของมันคือความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้อริยสัจนะเพราะไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์หลวงพ่อพูดแบบย่อนะถ้าพูดสิบสองอันนี้ ย, ยาวความไม่รู้ทุกข์หรือความไม่รู้อริยสัจนี่แหละเรียกว่ า, าวิชา เอวาวิชาคืออะไรเราไม่รู้ว่าขันหานี้ไม่ใช่เราหรอกเราคิดว่ามันเป็นเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเรายึดอย่างเหนียวแน่นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นทุกเราไม่เห็นว่ากายกับใจจริงๆเป็นตัวทุกไม่ใช่ตัวเราเราไม่เห็นว่ากายกับใจจริงๆเป็นสมบัติของโลกที่ยืมเข้ามาใช้เราคิดว่าเป็นของเราจริงๆนี่คือตัววิชา เพราะฉะนั้นเรามียวิชาเราคิดว่านี่คือตัวเราจริงๆเราก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์พอมีตัณหาขึ้นมาใจมันก็จะดิ้นรนดิ้นรนตัวนี้เรียกว่าพบการดิ้นรนของจิตใจพอใจดิ้นรนรู้สึกไหมความทุกข์ก็จะเกิดนะเรียนย่อยๆอย่างนี้ก่อนนะง่นะแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเข้าใจาวิชาก็ต้องเป็นก้าวลหันแหละเข้าใจอริยสัจ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 การปฏิบัติตามรูปแบบอะ่ะคือจะทําวัดเช้าทําวัดเย็นนี่รู้สึกว่าพอทําวัดเช้าทำวัดเย็นติดเนี่ยก็จะรู้สึกง่วง่วงคะก็เลยแล้วมันมันจะไม่ค่อยสบายใจอะ่ะก็เลยจะนั่งสมาธิน้อยมากะคือมันมันมีความรู้สึกเลยว่ามันผิดปกติอ๋อไม่เป็นไรคือบางช่วงนะเราภาวนาถึงเราภาวนาดีนะ บางช่วงจะง่วงง่วงง่วงสุดๆเลยใช่ไม่ผิดหรอกรก็เลยว่าเป็นเพราะว่าเราตื่นตื่นแต่ตีสามครึ่งนะคะเพราะว่าจะมาช่วยพี่สาวทำกับข้าช่วงเช้ชามืดนี่นั่งสมาธิยากนะเดินสีเดินหรือแทนที่จะต้องเดินเสียเวล่ำเวลานะกว่าบ้านไปด้วยค่ะ ก, <อ>ก็พยายามทำระหว่างวันนะคะอย่างส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าเราคงจะทำพอแล้ว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 บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีครับพูดเป็นใจลักษณ์ดีทุกวันก็เพี้ยนสิแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ไม่ดีค่ะโดยรวมไม่ดีค่ะทำไมรู้ว่าไม่ดีอ่ะมันบางทีบางวันมันเผลอทีเดียวทั้งวันทีเดียวเลยคะเอออย่างเงี้ยหลวงพ่อสแตนให้ไม่ดีรับรองให้บางวันก็จะบ่อยบ่อยอทิ้งรูปแบบนะทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติจําเป็น ก่อนนอนอะไรเงี้ยต้องฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยทําในรูปแบบไม่ทิ้งหรอกถ้าทิ้งเราใจไม่ค่อยมีเรืเรอ่อมีแรงห่อเวลาที่แบบเวลาสมมุติเวลาเศร้าอย่างเงี้ยคะ่ะก็มองความเศร้าเป็นก้อนก้อนหนึ่งเงี้ยคะ่ะแล้วก็ดูว่ามันใหญ่ขึ้นเล็กล ง, งอย่างเงี้ยเออดูอย่างเงี้ยดูด้วยความเป็นกลางอยากอยากให้หายเศร้านะดูอย่างเป็นกลางดีละถูกล้ะส่งต่อไปนะ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 คือคือหลังๆนี้มันตรึงน้อยสั้นลงอ่ะครับใช่มันน้อยลงนะแล้วก็ไม่รุนแรงแต่ก่อนตรึงรุนแรงแล้วก็นานนะเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่พอใจพอใจละพอใจอย่างที่มันเป็นเรียกรู้จักพอแล้วก็ตามดูมันไปเดี๋ยวมันก็คลายออกเองอย่าใจร้อนนะอย่างที่บอกว่าอายุเยอะแล้วจะรีบหรือไม่ต้องรีบนะ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 หลวงพ่อเจ้าคะสามเดือนแล้วหนูยังไม่ได้เข้าปฏิบัติแบบรูปแบบเลยนะเจ้าคะเพิ่งจะทำการบ้านส่งหลวงพ่อเมื่อวานนี้เองนะเจ้าคะแต่ช่วงที่สามเดือนนั้นนะคะ <c oughs> ก็ทำอะไรก็ดูๆไปแต่ไม่เห็นสภาพที่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไปดูก็ได้นะเจ้าคะ <c oughs> เมื่อวานนี้เพิ่งลงมือปฏิบัติได้สอสมบัลังอะคะ่ะก็คือตอนแรกลงมือปฏิบัติก็ยังทําอยู่แต่ไวค่ะตัดเร็วเจ้าคะ่พาะพอตัดเร็วแล้วก็จะมีสภาพที่กลางพอกลางพออีกชุดหนึ่งเขามาแข็งอยู่ดีๆเข า, าแข็งเลยเจ้าค่ะแต่นี้ความรักความชังในแข็งเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นคือเลื่อมกันนิดเดียวเจ้าค่ะเอ อ, <ๆ>อดีดี<ๆ>แล้วขณะเนี้ยแข็ง แข็งคอลงจากรถก็เริ่มแข็งเจ้าค่ะเนี่ยเข้าใกล้หลวงพ่อคล้ายๆเข้าใกล้ เ, เมดูซา่าเห็นแล้วกลายเป็นก้อนหินหลวงพอ่อเจ้าค่ะหนูเป็นโรคเนี้ยนานมากแล้วมีโอกาสจะหายไหมเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องกังวลหรอกนะาาควรอยู่ในวัดยังแข็งเลย <c oughs> นะมีที่ไม่กลัวหลวงพอ่อจริงๆคือไอ้เหลืองตัวเดียวกราบหลวงพ่อครับ ค, คือเพิ่งเริ่มปฏิบัติ <c oughs>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 เราขาดสติแป๊บหนึ่งนี่ยให้รู้ทันเป็นขณะขณะไปแต่ไม่ต้องไปบังคับให้มันรู้ไม่บังคับบังคับไม่ได้ะจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้อ่ะไปส่งต่อไปไม่เอาก็ส่งไปทางโน้นโอ้จะหมดละดีแต่โยบเล่นทยอยมาเรื่อยๆอยแย่นะใครจะไปเริ่มต้นสอนใหม่ไม่มีแล้วเนา ะ, ะอ้าว่าไปการนมัสการค่ะคือ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 โผมาให้เห็นว่าไม่ต้องไปจมอยู่กับตัวเวทนาทีนี้อยากถามหลวงพ่อว่าจริงๆแล้ว่เราจําเป็นต้องแยกตัวผู้รู้มาดูไหมคะไม่างเป็นนะนะรู้ไปอย่างเนี้คยค่อยๆหัดไปค่ะจงใจแยกออกมาเดี๋ยวก็ต้องไปลือทิ้งทีหลังด้วยคือแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนต้องจงใจทําขึ้นมาก่อนอแสดงว่าเราชับเพ่งเพ่งเวทนาเพ่งกายค่ะนี่เราก็แยกออกมาจิตเป็นคนดู ากายเวทนาจิตนะคแล้วทั้งกายทั้งเวทนาจิตก็แสดงธรรมให้เราดูแรปรปรวนไปเรื่อยๆเพราะเราเพิ่ง ม, มาสังเกตบ่อยๆตอนหลังว่ามั น, นจิตมันเร็วมากมันสามารถดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วก็ความคิดโผมอาทีเดียวพร้อมกันแล้วก็แต่คือมันเร็วปุ๊บปุเร็วนะไม่พร้อมอ่ะแต่ว่ า, าต่อกันเร็วจ น, นตอนแรกเราว่าเราไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมั่นคงเพราะว่าทําไมเรายังรู้เรื่องความคิดแล้วเราก็ดูกายแล้วเราก็รู้จิต เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแสดงว่าสมาธิมันไม่เฉียบคมมันไปดูเรื่องหลายหายอย่างหรือเปล่าคะไม่ใช่มันมันเกิดดับเร็วสติมันะระลึกเร็วกว่าเร็วขึ้นค่ะแต่เดิมที่ภาวนาผิดก็เพราะว่าชอบไปเพ่งใส่กายและเวทนาค่ะจิตมันถลำเข้าไปตอนนี้ดูออกแล้วใช่ไหมค่ะให้จิตมันถอดถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไว้ไม่ให้ถลำค่ะอย่ทีนี้ตอนหลังต้องไม่ทําลายตัวผู้รู้อีกที่หลังหรือเปล่าคะไม่เป็นไรเอาไว้รอเดินอรหันตมรรมค่อยทําลายเอาไว้ก่อน ท่นี้ถามอีกเรื่องนึงค่ะคือพอดีพูดถึงเรื่องแยกกายแย ก, แยกรูปแยกนามใช่ไหมคะคือพอเรารู้เนี่ยรูปนั่งอยู่นามเราความรู้สึกใช่ไหมคะเราก็รู้รูตัวไปอย่างเงี้ยแล้วอีกที่เคยอ่านหนังสือคือแยกรูปแยกนามในระดับที่แบบสโสดาบันใช่ไหมคะถึงนี่อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะเป็นยังไงแยกระดับโสดาบันตาราอะไรคือมั น, นไม่ใช่ก็คือแบบเหมือนลาส ก, กายาัติฐิคือกันเป็นลาเอง มันคือการนี่นคือถาวรขวาที่เรามารู้ตัว<ห>เองให้<ม>เรารู้รูปรูปร้นามไปอย่างเงี้ยะจนปัญญามันแจ้งแจ่มแจ้งพอนะมันจะรวมเข้ามาจิตอนะ่ะจะรวม <c oughs> เข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะ<อ>ไม่ต้องรวมนะ <c oughs> มันรวมเองะเสร็จแล้วมันจะเกิดสภาวะธรรมต่อกันเจ็ดขณะมันเป็นเองแล้วสัตยะที่ตีขาดแล้วขาดเลยรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้ายังมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้นะสัตยะที่ตียังอยู่ค่ะ